ขอโมทนากับพวกเราในะตั้งใจที่จะฟังพระธรรมแล้วตอนนี้เรายังตั้งมั่นในศาสนาของพระชินเจ้าดีอยู่ไหมสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาตลอดถึงพุทธวจนะทั้งสิน้นคือพระปริยัติธรรมคำสอนของพระศาสดาในส่วนของ พวินายบิดกพระสุตตันตบีดกและผ้าพิธามบีดกเนี่ยตอนนี้เราแข็งแรงไหมเราแข็งแรงไหมเนี่ยถามวันนี้ไงคือ <c oughs> คือศาสนาพรหมจรรันทร์ฉะนั้นศาสนาพรหมจันท ร, ร์เนี่ยอันนี้คืออันนี้เป็นความงามนะ อันนี้เป็นความงามในเบื้องต้นนะ <c oughs> แล้วก็ลองมาพิจารณาดูนะว่าเออเราเข้าถึงความงามระดับนี้หรือไม่ <c oughs> ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราจะได้ตรวจสอบตัวเองถูกถ้าอย่างนั้น <c oughs> เราจะตรวจสอบตัวเองไม่ได้ถ้าตรวจสอบตัวเองไม่ได้เราก็ไม่มีเครื่องวัดใช <c oughs> ่ไหมว่าตอนนี้เราแข็งแรงหรือยัง ให้สมกับที่พระปรมศาสดาทิ้งขันธภาละลองคิดดูนะว่า <c oughs> สร้างบารมีมาอย่างยาวไกลเนี่ยแต่กล้าทิ้งขันธภาละได้แปลว่าไม่ห่วงใช่ไหม <c oughs> ฉะนั้นแต่ที่อย่างหนึ่งก็คือพระศาสดาก็ฝากพระวินัยพระสูตรและพระพิธรรมไว้ในฐานะแห่งท่านก็ว่าเป็นศาสดา ฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจคำสอนให้ถูกต้องการเดินนั้นจะต้องมีหลักคำสอนเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องเดินเป็นเครื่องชี้แนวทางในการเดินนั้นๆตรงนี้นี่แหละในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าตั้งมั่นในคาสอนของพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นแล้วจากทุกในวัฏฏะแล้วเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณนันสูงสุดแห่งไตรโลก ในกามาภูมิรูปภูมิและรูปภูมินั้นหาบุคคลที่เสมอเหมือนพระศ า, าสดาไม่มีเลยถามว่าลองหาบุคคลที่มาเทียบพระศ า, าสดาในด้านของศีลก็ไม่มีนะในศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนะคุณไม่มีเลยอะ่ะฉะนั้นพระศ า, าสดานั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในด้านของศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้น เคยกล่าวไปแล้วใช่ไหว่าคุณของพระศาสดานั้นพลานาอย่างไรก็ไม่จบไม่สิน้นที่มีพระราชามาหากริยาจากกรุงที่จากรลังกามาฟังธรรมเทศนาจากท่านพระพุทธลักษิตาเถระในลังกาในยุคพันกปีไงที่พระเถระท่านแสดงพุทธคุณกถาตั้งแต่6โมงเย็นยันหกโมงเช้าแปลว่ากี่ชั่วโมงสองชั่วโมง ท่านแสดงสิบสองชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าพระราชาท่านยืนประนมมือฟังตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยยันหกโมงเช้าใครมีศรัทธาลองทำดูได้ไหมยืนไม่ถึงหกโมงเย็นเนี่ยลองดูไหมลองวัดศรัทธาดูยืนประนมมือแล้วก็ฟัง เอาสักสองชั่วโมงก็ยากใช่ไหมอันนี้วัดอะไรเนี่ยวัดศรัทธาเราจะได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยที่เราว่ามีศรัทธานะ่ะจริงไหมเนี่ยจริงไหมจริงอ๋อจริงคือถ้าศรัทธาเดินแล้วศรัทธาก็เป็นปัจจัยเกิดวิริยะ คือความเพียรในการที่จะประคองกุศลให้ตั้งมัน่นวิรละก็เป็นปัจจัยแก่สติสติก็มีความตั้งมั่นในอารมณ์คำว่าตั้งมั่นในอารมณ์ก็คือว่าจิตไม่พลากไปจากคำสอนเลยอะเมื่อคำสอนกล่าวไปถึงไหนน่สติก็ตามระลึกถึงพระธรรมคำสอนอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาเนี่ย ไม่หลุดลอยไปหาเรื่องอื่นเลยนี่เขาเรียกสติสตินั้นจะรักษารักษาอะไรรักษาอารมณ์อารมณ์แปลว่าถ้าฟังเสียงอยู่สติก็จะจดจ่ออยู่กับเสียงไม่หลุดไม่พากไปจากเสียงแล้วก็จะดิงอยู่กับเสียงนั่นแหละประดุดดังแผ่นหินที่จม ไม่ลอยเหมือนลกับลูกน้ำเต้าที่ลอยบนน้ำลักษณะของสติจะเป็นไปอย่างนี้ระลึกได้ตามระลึกได้ไม่หลงลืมสมาธิก็จะมีความตั้งมั่นในอารมณ์นั้นเนี่ส่วนปัญญาก็จะมีความรอบรู้ความเข้าใจในคุณของภาษาสดาอย่างเหนียวแน่นพอปัญญาเนี่ยมีกําลังอย่างเหนียวแน่น ปัญญาก็เริ่มมีกําลังมากขึ้นมะพอมีกําลังมากขึ้นก็เห็นคุณของ菩าสษด า, ามากขึ้นพ่อเห็นคุณของ菩าสด า, ามากขึ้นก็ออกจากความหลงความไม่รู้มากขึ้นปัญญาก็กลับมาเกื้อกูลศรัทธานะศรัทธาที่น้อยก็ยกศรัทธาขึ้นให้สูงขึ้นทำศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธ า, าก็ห่างไกลจากความไม่มีศรัทธามากขึ้น ห่างไกลจากตัณหามากขึ้นศรัทธาก็ไปเกื้อหนุนวิริยะวิริยะก็ออกจากโกสัจชะคือความเกียดค้านปกถีนมิท้าเนี่ยจิตมันเกียดค้านนี่มันตกลงไปสู่ถีนมิท้าจากการที่ปล่อยให้จิตเพลินไปเนี่ยไม่ค่อยขึ้นสู่ชวนานี่นะก็จะยกระดับจิตขึ้นมารักษาจิตให้อยู่กับชาวนะ ให้เป็นไปกับกุศลคอยปรับดูว่าเป็นกุศลหรือไม่ก็เพียนพยายามออกจากบาปเพียรพยายามขจัดบาปเพียนพยายามในการเดินกุศลแล้วก็รักษากุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ออกจากโกสัชะอ ก, กุศลคือความเกียจค้านได้ไอโกสัชะอ ก, กุศลก็หมุนต่อไปอีกนะเป็นปัจจัยเกิดสติสติก็เริ่มออกจากมุัตสติคือการหลงลืมสตินะ อกุศลการหลงลืมจากว่าระลึกได้ปุ๊บลืมระลึกได้ปุ๊บลืมก็เริ่มจะลืมน้อยลงน้อยลงไม่ใช่ว่าระลึกไปหายไปหายไปไม่ใช่นะมันระลึกได้มั่นคงขึ้นทีขึ้นทีขึ้นน่เข้าทุกอัตถะทุกพยัญชนะตั้งแต่เบื้องต้นถ้ำกลางที่สุดระลึกได้ตามระลึกได้จําได้มั่นคงมากขึ้นรักษาอารมณ์นั้นไม่ลมนั้นหลุดหายไปจากใจไหม สติก็เป็นปจัจจัยแกสมาธิสมาธิก็ออกจากความฟุง้งซ่านไม่ๆม่ความฟุ้งซ่านก็ทำให้ใจนั้นหลุดลอยใช่ไหมนะเข้านะเข้าก็ออกจากความฟุ้งซ่านได้ไอสมาธิพอตั้งมั่นดีแล้วก็เป็นฐานของปัญญาปัญญาก็เข้าไปวิจัยเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นเห็นคุณของภาษาสดามากขึ้นจากการเห็นนน้อยเนี่ยคุณของภาศาสดาก็ปรากฏกระจายมากขึ้นมากขึ้น แล้วปัญญาไปเกื้อหนุนศรัทธาอีกไหมเอาเกื้อหนุนศรัทธาเริ่มเป็นอย่างงี้นะเอาใครฟังทำแล้วเกิดเป็นหมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆไหมมันหมุนอย่างนี้ขึ้นไหมในกุศลจิตขึ้นเรื่อยไหมมีกําลังมากขึ้นไหมถ้าหมุนลงเป็นไงใช่ไหมศรัทธาน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเข้านะเข้าเรียบร้อยเลยนั่งอยู่ดีๆก็กลายเป็นหลับ แม้แต่สลีละตัวเองก็เอาไว้ไม่อยู่ที่สุดจริงๆบาปเกิดไหมบาปโอ้มานั่งทําบาปโดยแท้ใช่ไหมเขาพากันได้บุญเรามานั่งขาดทุนอยู่คนเดียวอย่างนี้นะอันไหนว่าเป็นคนมีปัญญาล่ะใช่ไหมปัญญาทําไมรักษาตัวเองไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ปัญญาเน่ยอย่างนี้เขาเรียกเบียดเบียนตัวเองไงเออมานั่งเบียดเบียนตัวเองมานั่งทรมานตัวเองอยู่นี่แหละใช่ไหมจ้ะ ยังไงยังไงเราก็ตกกระดาษพอยโจรมาฟังแล้วใช่ั mm ้ย hmm. คิดใหม่ดีไ้ยคิดให้ได้บุญกับเขาบ้างใ ช, ใช่ั mm ้มใช่เพราะยังไงยังไงก็หลวมตัวมาแล้วจะลุกหนีก็กลัวเขาว่าใช่ไ mm hmm. แต่จริงๆเราตั้งใจมานะมาพูดไปงไั้นเราตั้งใจมาเราต้องการมาบูชาพราะผู้มีภาคเจ้าใช่ั้ยเราเห็นคุณของพระาศาสดาเราต้องมาการบูชาพราะเจ้า เราเห็นคุณของ菩าสดานี่เราไม่ใช่มาทําเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช่ไหมเราเห็นคุณของ菩าสดาเราต้องการอะไรเนี่ยเราต้องการมาขัดไกยกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมทำใจของเราให้ผ่องใสเนี่ยในคําสอนเพราะเรารักใครเรารักพระเจ้าทําไมเรารักพระเจ้าในบทที่บอกว่าปิโยเดวามโนสานัง ปิโยบรมมหานมุตตโมปิโยนาคาสุปันนา낭งปิยินดริยหังนามามิหังบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพระพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดจนถึงสัตว์เดรัจฉานมีนาคและครุฑเป็นอาทิเนี่ยก็แสดงให้เห็นชั ด, ดว่าพระาศาสดาเป็นที่รัก ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมแม้สตัตว์ดิบดิษานก็รักพระเจ้าใครที่มีความรักมีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเหล่านั้นไปดีหมดแล้วในสังสารวัตรที่ผ่านมาบุคคลที่รักพระาศาสดาเขาพ้นทุกหมดคนที่หลังเกียรติพระาศาสดาพากันไปลงอบัยภูมินะอ๋อฉลอยว่าในสังสารวัตรที่ผ่านมาเราคงรักพระาศาสดาน้อยเป็นแน่แท้ใช่ไหม เราจึงไม่ยอมพ้นจากวัต่ทุกข์เราจึงต้องมาเจ็บปวดในการแบกตาหูจมูกลิ้นกายใจทรมานนะต้องมานั่งบริหารผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกมา้าหัวใจไตปอดตับไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองใช่ไหมแล้วไม่พอยังมีดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้าตาปเปรี้ยวมันน้าลายน้ามูดน้าปัสสาวะด้วยใช่ไห ต้อมาคอยบริหารเนี่ยเอาออกเอาเข้ากันอยู่เนี่ยนะแล้วก็อย่างไฟที่ยังกายอบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโทมไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่มาเผาสรีละจนมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วเผาไหม้จนสัสตว์ทั้งหลายตายบางทีเผาจนกระดูกพุนก็มีนะโรคบางโรคเนี่ยแล้วก็ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมลมที่อยู่ในช่องท้องลมที่อยู่ในลําไส้ ลมที่พัดผันไปในอวัยวะต่างๆถ้าไม่มีการขยับมือขยับเท้าเป็นต้นได้กระพริบตาอ้าปากเป็นต้นได้แล้วก็ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถามบอกอ่ะธาตุาทั้ง42เหล่าเนี้ที่เราต้องมาแบกมายืนมาเดินมานั่งมานอนมาคู่มาเหยียดมาก้มมาเงยเนี่ยมันสบายดีอยู่ไหมเนี่ยมันสบายดีอยู่ไหมเนี่ยขันธภารักษะที่เราต้องมาแบก กันเนี่ยมาบริหารมาดูแลกันอยู่เนี่ยมันเป็นภาระมานานแล้วนี่แหละความที่เราศรัทธาในพระาศาสดาความที่เรารักในพระาศาสดาไม่แข็งแรงนั่นเองความรักในพระบรมศาสดาไม่แข็งแรงความรักในพระบรมศาสดาไม่มั่นคงสัตหินซีของเราทำงานได้เป็นพักๆใช่หมไม่ตั้งมั่น แม้แต่พระราชามหากริสาที่ยกตัว อ, อย่างท่านยืนบะนมมือฟังทำสิบสองชั่วโมงพระกระสาทู่ว่ามหาวพิษทําสิ่งที่ทําได้ยากท่านก็รายงานพระบอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญไม่ใช่โยอมทําแค่บะนมมือแล้วก็ยืนฟังทำสิบสองชั่วโมงเท่านั้นแต่ในขณะที่โยมยืนบะนมมือฟังทำสิบสองชั่วโมงเนี่ย ใจของโยมไม่เคยพลาดไปจากพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กล่าวพุทธคุณนักถาเลยอ่ะไม่เคยส่งใจไปทางอื่นเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีแล้วทําได้ยังไงเนี่ยแล้วเรามานั่งเนี่ยเราส่งใจไปที่อื่นหลายหลายพันครั้งแล้วนะเนี่ยใช่ไหมทาไมไม่ได้ทําไมเราล็อกความคิดไม่ได้ทําไมเราปล่อยจิตไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดเวลาเพราะอะไร ตอนนี้เราสามารถคุมจิตเราได้หรือไม่ได้ได้ดีหรือไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมเราไม่เคยอยู่กับเรื่องเรื่องที่เราจะใส่ใจได้นานๆเลยเนี่ยถามว่าตอนเนี้ยเรายังคิดอยากจะช่วยคนอื่นอยู่ไหมตอนเนี้ยสถานการณ์เราแย่อยู่ไหมเนี่ยแล้วเราจะไปช่วยใครสถานการณ์ ลำพังตัวเองจะเอาไม่รอดใช่ไม่ใช่เนี่ยก็ว่าว่าไงว่าก่าราคะเนี่ยชื่อว่าเป็นโรคหรือใช่ไม่ชื่อใช่หรือไม่ใช่ราคะความกำหนัดโทสะความกโกรธโมหะความหลงมานะเยื่หยิ่งถือตัวมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอุทะจรคือความฟุ้งซ่านวิจิกิจวิจิกิจฉาความรังเล ส, สงสยัย เอาวิชาคือความบอดความมืดของดวงตาปัญญาคือข อ, ของดวงจิตเนี่ยไม่มีตาคือปัญญาเกิดเนี่ยถามว่าใช่โรคไหมเป็นโรคใช่ไหมใช่นี่เป็นโรคเป็นโรคที่มันเกิดสรุปแล้วเมื่อมีโรคเกิดอย่างนี้ถามว่าราคาโทสาโมหามานาทิถีเป็นต้นเหล่านี้เกิดในใจเราบ่อยไหมตลอดเวลาไหมโดยส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่เกิดตลอดใช่ไหมเมื่อรู้อย่างนี้แปลว่าพวกเราเป็นผู้ป่วยใช่หรือไม่เขาเรียกเป็นผู้ป่วยยอมรับข้อเท็จจริงเถอะพระบรมศาสดาเป็นหมอบุคคลที่ยังมีราคาโทสาโมหะอยู่คือไม่ยอมตอบแล้ว คือผู้ป่วยป่วยหนักหรือเปล่าถามจริงมันมีป่วยหลายระดับไหมบางคนป่วยไม่รู้ว่าป่วยเอางี้เข้าไปลงลงพยายานสมเด็จเจ้าพยาลองไปถามมีใครเขาว่าเขาป่วยไหม เขาจะปฏิเสธว่าเขาไม่ป่วยใช่ไหมเขาไม่ป่วยตอนนี้เราจะมีอาการเหมือนเขาหรือไม่ที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยเพราะเรายังดีกว่าเขานื <c oughs> เป็นกุศลหรือเป็นมานะเห็นไหมว่าถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเริ่มรู้ว่าจริงๆพระาศาสดาบอกว่า พระบรมศาสดาอุปมาเหมือนหมอสัตว์โลกทั้งหลายที่มีราคะมีโทสะมีโมหะมีมานะมีทิฐิมีวิจิกิจฉามีทุจริตทั้งหลายอยู่ยังมีความเครียดความกัดกลุ่มความลำคาญใจความไม่สบายกายไม่สบายใจยังมีความคับแค้นใจอยู่ต่างๆเหล่าเนี้นะมีความโลภความโกรธความหลงมีความฝ่ายฝันทะเยอทะยานต่างๆเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นความป่วยของสัตว์นั้น ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเราป่วยเนี่ยการไม่ไปหาหมอเป็นความผิดของหมอหรือเป็นความผิดของผู้ป่วยเป็นความผิดของผู้ป่วยเนี่ยเพราะถ้ารู้ว่าป่วยนี่ต้องไปหาหมอใช่ไหพระศาสดาเป็นหมอแล้วตอนเนี้ยที่ผ่านมาเราเข้าไปหาหมอบ่อยไหมตามหมอนัดหรือไม่ นั้นสิ่งต่างๆนี้ต้องต้องต้องเข้าใจให้ดีนะว่าพระศาสดาเป็นหมอจริงๆหมอปัจจุบันนี่ไม่ใช่หมอจริงนะใช่ไหมเป็นหมอที่เขาเขียนใบประกาศให้นะแต่พระศาสดาเนี่ยเป็นหมอที่สังสมบรารมีเพื่อตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเป็นหมอนั่นเอง ถึงบอกไงบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นมีโรคคือราคาโทสาโมหะอยู่ในใจใช่ไหมเราก็จะไปพบหมอเป็นระยะระยะแล้วหมอบอกอยังไงให้กินยาอย่างไรเราก็จะไม่ดื้อแพ่งกับหมอเลยใช่ไหมเราก็จะกินเลยถ้าอาการหนักหน่อยหมอจะเสียบสายน้ําเกลือให้เราก็ไม่เป็นคนไข้แบบประเภทคอยถอดสายน้ําเกลือออกใช่ไหม แล้วตอนนี้พระธรรมคำสอนของพระศาสดามันไหลยอยู่ในใจเราตลอดเวลาไหมแสดงให้เห็นชัดว่าเมื่อพระธรรมไม่ไหลยอยู่ในกระแสใจเลยอยู่ตลอดเวลาแปลว่าในขณะนั้นอะไรก็แทรกเข้ามากิเลสคือราคากิเลสคือโทสากิเลสคือโมหะก็ไหลามาแทรกเป็นระยะระยะใช่มอันนี้คืออาการป่วยนะงั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้เราก็ไปหาพระพุทธเจ้าบ่อย ฟังธรรมของพระบรมศา ส, สดาบ่อยๆตรงเนี้พระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงสัตว์เดราชฉานมีนาคและคุดเป็นต้นนะข้าพเจ้าก็ขอนอบน้อมพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์เ อ, อิบอิ่มพระองค์นั้นเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นคุณของพระศาสดาว่า พระศ า, าสดานั้นมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาประมาณไม่ได้นะพระองค์สั่งสมัทยาศัยต่างๆเหล่านี้นะเพื่อสร้างบา ร, รมีทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นปัจจัยแห่งการแทงตลอดสัมมาสัมโพธิญาณ น, นะเออถ้าเรามาพิจารณาแห่งบา ร, รมีธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาเนี่ยทรงกระทำมาเนี่ยเออถ้าลองพิจารณาอยู่ในด้านของ ทานบารมีเนี่ยนะพระศาสดาจะพิจารณาเห็นโทษและอนิสง์ตามลําดับในการให้บริจาคและไม่บริจาคบอกว่าพระศาสดาจะพิจารณาเห็นโทษนะเห็นโทษของการไม่บริจาคเห็นอนิสง์ของการบริจาคบอกว่าปัจจัยมีทานบรารมีเป็นต้นของเนี่ยในคํานั้นนะ่ะท่านบอกธรรมดาวัตถุทั้งหลายเนี่ยวัตถุนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ เป็นผู้นำมาซึ่งความพินาศทั้งหลายก็บอกว่าเออถ้าเรามีถามว่าตอนที่พระองค์สร้างบา ร, รมีในการบาเพ็ญทานบารมีพระองค์คิดยังไงรู้ไหมท่านบอกว่าวัตถุทั้งหลายคือที่ดินก็ดีสวนเงินทองโคกระบือทาาหญิงท่าชายบุตรภรรยาเป็นต้นถามว่าทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยเป็นเหตุแห่งความพินาศหมเป็นหรือไม่เป็น เอาถ้าเรามีเงินทองมีที่ดินมีสวนมีนามีโคกระบือมีลูกหญิงลูกชายเป็นต้นเหล่าเนี้ยถามว่านี้เป็นเหตุแห่งความพินาศไหมพินาศหมดเลยเดี๋ยวก็จากกันไหมเดี๋ยวก็จากแล้วนานหรือไม่นานเนี่ยสมบัติเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นที่ดินสวนเงินทองไรนาทาตหญิงทาตชายบุตรภรรยาเป็นต้นเหล่าเนี้ยล้วนมี มีคนอยากได้มากเป็นวัตถุเป็นที่น่าปรารถนาของคนทั่วไปนะเป็นสาธารณาภัยแก่โจรได้ไหมโจรก็ได้ราชาภัยโจรภัยอุทกภัยก็ได้นะวาตาภัยอัคคีภัยต่างๆเหล่าเนี้ยเพราะเป็นพี่ตั้งเห็นการวิวาทกันไหมมีสิ่งต่างๆในนี้เดี๋ยวก็วิวาทเดี๋ยวก็ขัดแย้งกันแล้วก่อให้เกิดศัตรูหรือไม่ ก่อให้เกิดศัตรูเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารเพราะเป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นทั้งในการได้มาและการคุ้มครองถามบอกว่าถ้าเราจะซื้อที่สักที่เนี่ยเราเบียดเบียนคนอื่นนะเบียดเบียนคนอื่นเขาได้ที่มาแล้วมาทํานาทําไร่เบียดเบียนสัตว์ไหมโอ้โหเยอะเลยจะปลูกบ้านแต่ละทีนี่สัตว์ตายเป็นล้านนะเชื่อไหมล่ะเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าเราจะปลูกบ้านสักทีเนี่ยสัตว์ตายเป็นล้านเป็นโกรธ เนี่ยเบียดเบียนได้อะไรมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่อยู่บนกองเลือดเหมือนกับทำนานเนี่ยกว่าเราจะกินข้าวได้แต่ละมื้อเนี่ยสัตว์ตายเท่าไหร่หรือผักที่เรากว่าจะกินได้เนี่ยเขาฉีดยาฆ่ า, มาแมลงไปเท่าไหร่เมเป็นอย่างนี้จริงๆสังสารวัตมันเจ็บปวดมัน อบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยนะทำอะไรเบียดเสจที่จะไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนกันแทบจะไม่มีเลยเนี่ยเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งในการได้มาและการคุ้มครองคุ้มครองอยู่ก็บเบียดเบียนเขาเป็นเหตุแห่งผลเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สมบัตินั้นเพราะนำมาซึ่งความพินาศทั้งหลายมีความโศกด้วย ถามว่ามีบุตรมีภรรยามีนามีไล่มีเงินมีทองมีรัตนาชาติมีทรัพย์สมบัติต่างๆมีสถานะต่างๆทางสังคมต่างๆนํานมาซึ่งความโศกเนะีนะก็จะโศกล่ําไรลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจเดี๋ยวก็นํามาซึ่งความขับแค้นใจในวันพัดพลาดเราไม่รู้หรอกในกระแสชีวิตของเราว่าจุดไหนตอนนี้มะเร็งมันจ่ออยู่ก็ไม่รู้ ใช่ไม่ใช่ไม่มีวันรู้เลยอ่ะตรวจเช็คแล้วเช็คอีกมันหลบซะ น, นี้ตรวจใหม่ีทีระยะสามระยะสี่ว่าไงแต่เนี้ยชีวิตมันเป็นแบบนี้เอาสินั่นแหละคือชีวิตไม่บอกมันนำมาซึ่งโทษภัยเยอะแยะเพราะเหตุนำถามบอกว่านำมาซึ่งความพินาศมีความโศกเป็นต้นแกสัตว์ผู้ถูกจิตมนทินคือความตณีรุมรา้า ถามว่าเทา้าส ก, กัดตอนที่ท่านจะเสียชีวิตองค์ก่อนนะไม่ใช่องค์นี้นะองค์นี้องค์นี้ท่านจุติและตายปฏิสนธินะเออท่านท่านเกิดใหมนะ่อองค์ก่อนนะู้นน่ยตอนนั้นท่านเป็นบุตุชนเป็นพระโสดาบันเนีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ต่อมาเนี่ยท่านเกิดโทมนัสมากทำไมถึงโทมนัสเพราะท่านบอกว่าอายุของท่านเหลืออีกเจ็ดวันในโลกมนุษย์ท่านจะตายแล้วลองคิดดูเถอะถ้าเรานั่งกันอยู่หน้าที่เนี้ยนี่เราถ้าพูดก็คือว่าเรารู้ไหมอีกเจ็ดวันชีวิตเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้นางสุสุ ป, ปวาสา ตอนนั้นไปนิมนต์พระศ า, าสดามนะั้ยนิมนต์พระศาสดาให้มาก็มีคนตัดหน้าไปก่อนนางก็ไม่ยอมพโมกขลานะไปต่อรองไปต่อรองบอกว่าขอให้เจ็วันค่อยนิมนต์ได้ไหมให้คนอื่นก่อนนางบอกว่าถ้าท่านป้องกันเราได้เราจะยอมป้องกันอะไรหนึ่ง ป้องกันทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าเนี่ยจะมีเหลืออยู่ถึงเจวันหรือไม่ท่านป้องกันได้ไหมข้อแรกสองท่านป้องกันกระแสชีวิตของข้าพเจ้าได้ไหมว่าจะไม่ตายภายในเจ็ดวันเนี่ยสามท่านป้องกันศรัทธาเราได้ไหมว่าศรัทธาเราเกิดหลุดหายไปเนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบ เหมือนเราบอกเราจะมาฟังธรรมใช่ไหมถ้ามีคนมาชวนเราไปทั้งอื่นเนี่ยเราต้องบอกเขาสามข้อเนี้ยเขาให้ยังต่อรองเลยเขายกหูมาว่าบอกว่าแม่อย่าเพิ่งไปฟังธรรมได้ไหมก็ต่อรองเลยบอกสามข้อเองต่อยองตัดจจการได้ไหมเนี่ยบอกงั้นหนึ่งอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยของแม่ท่านมีอยู่เนี่ยมันจะไม่หมดไปก่อนก่อนจะได้ทำบุญเนี่ยสองชีวิตเนี่ย ภายในเจ็ดวันเนี่ยรักบอกดูแลได้ไหมสามศรัทธาของแม่ใครจะดูแลศรัทธาของพ่อใครจะดูแลศรัทธาของฉันใครจะดูแลถามเข้าไปพระโมคลานะบอกว่าช่วยได้สองข้อข้อหนึ่งช่วยไม่ได้พระโมคลานะก็พิจารณาดูใช่ไหมว่าอท่านมีนาขะตังสยาน ท่านก็นดูไอ้เจวันนี่ทรัพย์สมบัติของนางจะวิบัติไหมไ ม, ไม่วิบัติหนึ่งข้อแล้วถือว่าใช้ได้แล้วไม่หมดแลชีวิตของท่านจะของท่านผู้นี้จะหมดไปภายในเจวันมัางไม่ไม่หมดท่านบอกงั้นสองข้อดูแลให้ได้แต่ข้อสุดท้ายคือศรัทธาท่านต้องดูเองถามว่าศรัทธานี่ให้คนอื่นดูแลได้ไหมจากนั้นท่านทั้งหลายพยุงไว้ศรัทธาเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม แล้วเกิดดับเร็วไหม เ, เอาแล้วศรัทธาอยู่ในกุศลจิตรหรืออกุศลจิตมันนั่งอยู่เนี้ยศรัทธาหายไปกี่ครั้งเคยนึกไหม เ, เห็นไหมศรัทธาเนี้ยเป็นของไม่แน่นอนเลยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเขาจึงบอกไงผู้หญิงเนี่ยมีความโลเลห้าประการอยากรู้ไหมห้าประการมีอะไร เดี๋ยวเขจะถามว่าผู้ชายโรเล่ห้าอการนี่ยุงย่งเลยเพราะพูดตรงนี้ทีไรเขาจะนึกว่าเทําไมพระทีไรพูดเรื่องผู้หญิงเรืเ่อยๆเขาบอกผู้หญิงอ่ะข้อแรกเขาโลเลในเรื่องการเดินทางเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าไปดูนะเดินทางที่ก็โลเลบแหวนนวนแวะนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนี่ข้อแรกสองก็โลเลในเรื่องของอาหาร บางทีจะไปกินในนั้นเสร็จ เ, เห็นในนัน้นใหม่สร้างงันใหม่แล้วเนี่ยไม่รู้อันนี้ก็โลเลในเรื่องอาหารบางกลุ่มก็โลเลในเครื่องประดับบางทีเอานี้มาติดแล้วนะพอจะไปจริงก็เปลี่ยนใหม่ชิ้นนี้ไม่เอาหนึ่งแต่มียอมอยู่คนหนึ่งก็บอกยอมไม่โลเลในเครื่องประดับถามทำไมยอมมีอยู่ชิ้นเดียว <laughs> <laughs> อ, ยอย่างนี้ไม่โลเล ไม่โลเลในเครื่องกระทำเพราะยังไงยังไงก็ใส่ชิ้นนั้นแล้วเครื่องแต่งตัวด้วยนะเสื้อผ้าเลยสุดท้ายสุดท้ายจริงๆเขาไม่ให้บอก <c oughs> เดี๋ยวยมผู้ชายคิดไม่ค่อยดีก็ <c oughs> <c oughs> โลเลในเรื่องเพศตรงกันข้ามจริงๆก็คือว่ามีคนก็ถามม า, มาว่า แล้วผู้ชายโรเลหรือไม่คืออย่างนี้นะว่าในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยการเกิดเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเปลี่ยนมาในสังสารวัตมากใหม่ผู้ชายบางท่านเคยเป็นหญิงมาอย่างยาวไกลพึ่งมาเป็นชายในพบขัดหมาสมมติอย่างี้นะความโรเลก็ยังติดอยู่ ผู้ชายบางท่านเคยเป็นหญิงมาอย่างยาวไกลพึ่งมาเป็นชายในภพถัดมาสมมติอย่างเี้นะความโลเลก็ยังติดอยู่ฉะนั้นทั้งหญิงและทั้งชายมีโอกาสโรเลได้เท่าๆกันผู้หญิงบางคนเคยเป็นชายมาหลายร้อยหลายพันชาติมาแวบมาเปลี่ยนเป็นเนะเป็นหญิงความโลเลก็ไม่ค่อยเกิดเพราะความตั้งมั่นก็จะแข็งแรงมันเป็นอย่างนี้นะ ฉะนั้นความโลเลถ้าใครเป็นหญิงอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานเลยโลเลก็จะมากขึ้นมากขึ้นแต่เอามาดูประวัติของนางบิมบายาโสธราเธอไม่โลเลเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันคงมากนี่แม่อัธยาสัยที่ตั้งเนี่ยแก้ความโลเลในใจได้ควรตั้งแบบนี้ไหม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 สัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาอาชีวสัมมาอวิมารสมาสติสมาสมาธิจะคิดให้เกิดปลาโมดปีติปสัส s ธิความสุขสมาธิคิดให้เกิดยถาภูดญาทัทสนะปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็คิดไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่สามารถคิดให้เป็นไปตลอดแนวตลอดสายเป็นแถวเป็นแนวได้ไม่มีปัฏฐามรรจิกานะกลุ่มเนี้คิดทีไรก็วกวนสับสนวอกวนสับสนอยู่ในวุ่นวายอยู่นั่นแหละติดพันเรื่อง